ทีนี้โดยทั่วๆไปนะคนถ้าพูดถึงคนที่ไม่ได้ศึกษาคําสอนนะเวลาพิจารณานี้รูปหนีความเกิดขึ้นของรูปเสร็จแล้วนะต้องคิดไปอีกเขากําลังสร้างรูปอะไรอยู่ตอนนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเขาเพ่งทวารตามากกันนะเขากําลังสนใจในสีเขาสร้างอะไรสร้างตาถ้ากําลังสนใจในเสียงสร้างหูเอาแล้วก่อนที่ขณะที่เรากําลังฟังอยู่อย่างนี้ชื่อว่าสร้างหูด้วยไหม สร้างหรือไม่สร้างคุณแฟรินว่าไงไหสร้างหรือไม่สร้างสร้างถูกต้องแล้วถ้าไม่ไม่เห็นอริยสัจนะก็คือการสร้างต่อให้มหากุรุสังไงก็สร้างเนี่ยนะแต่ก็มหากุศลก็ให้ผลเป็นมหามหาผลของบุญไปนะบาปก็ให้ผลเป็นบาปแม้กระทั่งหูที่ตั้งใจฟังเสียงเนี่ยหูเจตนาที่ฟังเสียงตั้งจิตเป็นมโนกรรมก็สร้างหูอันต่อไป เนีย่ยนะพราะ ก, ก็ยังอยู่ในระบบยังอยู่ในวงจรนี้อยู่ดีนะเป็นยังชอบสูตรเลยนะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะกรรมในอดีตมีเนีย่ยนะเพราะกรรมในอดีตมีหูจึงมีอาศัยหูมาฟังเสียงเพื่อทำกรรมใหม่เพื่อที่จะให้มีหูต่อไปเนี่ยนะหลักการมันก็มีอยู่กว้างๆเท่านี้นะทีนี้ก็ไล่ยอย่างนี้ไปทุกทวาร ว่าหูเอ่อตากว่าจะมามีตาและอาศัยตามาทากรรมเพื่อให้มีตาต่อไปนะทกรรมมาเพื่อให้มีหูอาศัยหูมาทำกรรมเพื่อให้มีหูต่อไปอ น, นะกรร ม, มเนี่ยทำให้มีจมูกอาศัยจมูกมาทำกรรมเพื่อให้มีจมูกต่อไปแต่ว่าจมูกงวงมันจะยาวหน่อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะนนะหรือว่าลิ้นเนี่ยมันเกิดจากกรรมเกิดจากปัจจัยก็มาให้มีลิ้นพอได้ลิ้นก็สร้างกรรมใหม่เพื่อให้มี ลิ้นต่อไปเนี่ยนะแมกทาวานกายอย่างอื่นก็ในยะเดียวกันการกล่าวอย่างนี้เรียกว่านี้รูปสมูทยัยเนี่ยนะรูปสมูทยัยแต่พื้นฐานเนี่ยไอการแยกแยะว่ามหาภูต ร, รูปกับอุปาทายรูปแล้วก็ลมหายใจเป็นเบื้องต้นกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดภายในภายนอกแล้วก็การสาม คืออดีตอนาคตและปัจจุบันไอการเพ่งอันนี้ต้องมากแต่ว่ารูปเหล่านี้นะถึงจะเกิดเมื่อไหรก่ก็ก็ต้องอาศัยรูปสมูทายอยู่ดีเนี่ยนะก็ต้องอาศัยเหตุเกิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นการสามเนี่ยนะมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่ า, านนะรูปในปัจจุบันนี้ก็ถูกถูกเคี้ยวกินอยู่ตลอดนะใช่ไหรูปในปัจจุบันนะที่มีอยู่เนี่ยใครไม่ถูกเคี้ยกินบ้างคำว่าเคี้ยวกินเนี่ย ท่านก็บอกว่าเหมือนอะไรเหมือนผ้ากินเนื้อนะผ้าคนเนี้ยใส่ผ้าแล้วผ้ามันกินเอาเนะก็คือแปลว่ามันเสียดสีทําให้เสียหายใช่ไหมเขาเรียกว่าคนถูกผ้ากินอนะแต่จริงไม่ได้เคี้ยวอะไรหรอกฉั้นใดก็ดีรูปในปัจจุบันถูกเบียดเบียนอย่างไรถ้าเราถอยหลังไปนะรูปในอดีตทั้งหมดไม่ว่าชาตินี้ชาติถอยหลังไปกี่สิบชาติก็ตามรูปเหล่านั้นก็ถูกเบียดเบียนถามว่าถ้าเราเกิดไปอีกข้างหน้านะจะถูกรูปเบียดเบียนอีกไหม มีขันอีกก็ถูกเบียดเบียนไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเหล่านั้นก็เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะทีนี้ถ้าความดับของรูปเนี่ยจะทํำยังไงสูตรพระองค์ก็บอกว่าหนึ่งไม่อววรในรูปที่เป็นอดีตนะไม่อลายอววรในรูปที่เป็นอดีตเนี่ยนะ คือไม่ใช่ว่านั่งวันๆหนึ่งคิดถึงแต่งชื่นชมในสมัยที่เคยเคยเคยอะไรก็ช่างเถอะเนีย่ยน ะ, ะนั่งชื่นชมรูปเก่าๆแล้วก็นึกระบายชาติที่แล้วเราเคยเป็นอะไรบ้างนะั้นนั่งตริรกประเภทเนี่ยนะเพลิดเพลิน อ, อ, อย่างเงี้ยไอ้ยังงี้ไม่ควรนะอย่าไปเพลอิอย่าไปอาว์ในรูปที่เป็นอดีตอย่างหนึง่งอย่างหนึง่งอย่าหวังรูปที่เป็นอนาคตเนี่ยนะ แต่ปกติคนทั่วๆไปนะน้อยนักที่ไม่มีหวังที่ไม่หวังโดยมากก็สร้างจินตนาการว่ารูปในอนาคตควรจะเป็นยังไงใช่ไหมจะให้รูปมีสียังไงดีมีผิวมีเสียงมีกลิ่นมีอะไรก็จินตนาการว่ารูปในอนาคตต่อไปเป็นยังไงก็สังเกตดูว่าอา้าวถามว่าทำไมจึงว่าทุกคนสร้างรูปในอนาคตอ่ะใครไม่วางแผนชีวิตพรุ่งนี้เป็นต้นไปบ้าง พวกนั้นก็คือจัดการกับรูปว่ารูปพรุ่งนี้ต้องเป็นอยังงั้นรูปปรืนนี้ต้องเป็นอย่างงี้รูป2ปีข้างหน้าต้องเป็นอย่างงั้นเนี่ยนะยังไม่ทันไรนะสร้างรูปไปหลายประเทศแล้วนะหลายคนเนี่ยนั่นนะสร้างรูปไปโหแต่อยู่ประเทศนัก็เอาขันห้าไปด้วยอีกอย่ดีฮะนแหะแบกภาระไปอีกอย่ดีแล้วถามว่าแล้วรูปปัจจุบันทํำยังไง รูปปัจจุบันก็เจริญโดยอนิจโจทุคตโอรคตอนัตตตสลระโตนีนะะนะว่าให้ตรองก็เราวาปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในรูปที่เป็นปัจจุบันที่มีอยู่ให้หมดเนี่ยนะก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้ถ้าเจริญได้ตามนั้นเรียกวันนี้ความดับแห่งรูปนะนี้ความดับแห่งรูปอันนี้ก็ทบทวนจากเมื่อวานเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย ก็คงคิดว่าคงเข้าใจเงียบหมดก็แสดง ว, ว่าเข้าใจกันหมดนะดูแลธรรมมาทุกศาสนาก็คือการก็คือการรวมรวมกลุ่มวมกายะลกายะเวทน า, า, ทาจิตตาธรรมจ้งผ่านมาบรรลุ ม, มอือกันหมดเลยก็ ถ้าว่าโดยจริตนะพวกจเจริญธรรมานุปัสสนาเป็นกลุ่มทิฏฐิจริตเป็นนักคิดอยู่แล้วกลุ่มนี้เป็นนักคิดนักใคร่ครวนเป็นอย่างมากเนี่ยนะคือแล้วก็ชอบคิดอะไรที่มันลึกซึ้งอะนะที่นี้ถ้าพูดถึงรูปแล้วเนี่ยนะพูดถึงรูปรูปในฐานะเป็นเป็นอะไรเป็นวัตถุกับเป็นอารมณ์ นะรูปนี้เป็นวัตถุอย่างหนึง่งกับเป็นอารมณ์อย่างหนึงน่งนะอารมณ์หกวัตถุหกเป็นต้นนั่นะทีนี้พอพอวัตถุกับรูปนะสิ่งที่เห็นชัดตามมาก็คือเวทนาถ้าทั่ ว, วไปนะตัวที่ชัดที่สุดไนงะ แต่ว่าโดยรวมๆแล้วนะสิ่งที่หยาบรองลงมากว่ารูปประคันคือเวทนาขันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสดงเวทนาเป็นอันดับต่อมาเพราะว่าอารมณ์แต่ละอย่างนะพูดว่าง่ายๆการเห็นแต่ละคนเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไอตรงนี้เห็นชัด น, น, นะนะเห็นคนนั้นแล้วโดยรวมๆนะถ้าเป็นอิทธารมก็ดีใจมากที่ได้เห็น นะกับเห็นบางคนก็เสียใจอันนี้แปลแบบรักษา namjai น, นะแปลให้ตรงแปลว่าโกรธไม่ชอบเอาซะเลยเด่นะแต่ว่าว่าโดยเวทนากขาบอกว่าแค่ไม่สบายใจนะถ้าภาษาทู ด, ด้วยกขาบอกแหมเสียใจอย่างสุดซึ้งนี่แปลว่าโกรธมากเนี่ยนะจำนวนมาแทบฆ่าได้ก็ได้เด่นนะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเห็นคนธรรมดา ท, ท, ทั่วไปก็ เฉยเนี่ยนพะพันเมื่อวัตถุ ก, กับอารมณ์เนี่ยประจวบกันมันให้เวทนาอย่างนี้นะอันนี้ถ้าถ้าผู้ที่พิจารณาบา่อยๆจะเห็นเนี่ยนะจะสังเกตคือถ้าถ้ า, เ, าเกิดการทบทวนความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆแต่ถ้าจะว่าจริงๆนะเวทนามันก็มีอยู่สามเท่านี้แหละนะจะเห็นอะไรก็ช่างไม่ดีใจก็เสียใจไม่เสียใจก็เฉยๆเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าดีใจเนี่ยออกมาจะเห็นชัดในกลุ่มไหนก็กลุ่มที่ได้รับอิทธารมอย่างแรงกันไหมฟุตบอลนะฝ่ายชนะนี่เย้เล ย, เลยถ้าฝ่ายแพ้ล่ะไม่ไว้เลยนะมันก็ก็จะอยู่อย่างนี้ <c oughs> ถ้าว่าโดยโลกธรรมนะกลุ่มดีใจก็คือในลาบกลุ่มเสียใจก็เสื่อมลาบ อารมณ์ทั้งหลายแหละเนี่ยนะถ้าอารมณ์นั้นเราคิดว่าได้ก่อให้เกิดโสมนัสใช่ไหมถ้าอารมณ์นั้นเราถือว่าเสียก็โทมนัสเนี่ยนะก็แล้วแต่คิดนะนะบางทีก็อยู่ที่ที่ความคิดแต่ว่าไอ้ที่คิดยังไงก็อยู่ที่ที่อารมณ์เหมือนกันนะบางทีอยากจะให้มันดีใจมันก็ดีใจไม่ขึ้นนะ <laughs> อเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์นั้นเราเราถือว่าศูญเสียเนี่ยนะนะ ที่นี้ในบรรดาวัตถุและอารมณ์เหล่านั้นดีใจก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มเสียใจก็สองกลุ่มใช้ก็สองกลุ่มสองกลุ่มไหนกลุ่มที่เป็นอกุศลกับกลุ่มที่เป็นกุศลกลุ่มที่เป็นอกุศลนี่เรียกว่าอ า, อาศัยเรือนคือกาม นะกามคุณนะที่เป็นไปกับอกุศลนะความดีใจที่เป็นไปกับอกุศลเรียกว่าอาศัยเรือนเทหสิตะนี่นะส่วนที่เป็นไปกับกุศลเรียกว่าเนคขมมะถ้าสติประฐานเราจะแช้อะไรมีอามิตรเป็นไปกับเครื่องล่อเหมือนกันนะเป็นไปกับเยื่อเป็นความดีใจที่ได้ได้เยือแล้วนี่นะ แต่ได้กินเบ็ดแล้วเนี่ะก็ดีใจลักษณะนี่ยอย่างหนึ่งก็ความดีใจที่เนคขมะคือไม่มีอมิตรไม่มีอมิตร <c oughs> ในระหว่างสองนี้ถามว่าเอาอะไรมาแบ่งมาแบ่งจึงรู้ว่าเอ้ความดีใจนี้ที่เกิดร่วมกับกุศลความดีใจนี้เป็นอกุศลความดีใจนี้ มีอมิมรความดีใจนี้เป็นเนคขมมะไม่มีอเมิเนี่ยนะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดทั้งทั้งที่มีอารมณ์กลุ่มเดียวกันก็คือว่าให้ง่ายๆกลุ่มที่เป็นอกุศลคือกลุ่มที่ไม่เจริญกายานุปัสนานนะคือไม่ได้พิจารณากายเหล่านั้นเลยอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกุศลได้อย่างนี้เพราะเขาเจริญ กายานุปัสนาเช่นเห็นผมเหมือนกันดีใจทั้งคู่เลยนะแต่อีกคนหนึ่งดีใจในฐานะเป็นอิทถารมที่ตัวเองใฝ่ฝันอยากจะพบเจอมานานละแต่อีกคนหนึ่งก็ดีใจเออนะขนาดผมงามๆขนาดนี้ไม่นานก็งอกแล้วเนอเีอย น, นะ ก, ก็ดีใจในลักษณะโอ้เพระาะเรานี่มีปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นความจริงอันนั้นขึ้นอย่างง้นะก็ ก็พื้นฐานเพราะเจริญกายานุปัสสนาคือพิจารณารูปม า, ากาอีกพวกหนึ่งไม่ได้ไม่ได้พิจารณาเลยก็จะเป็นดีใจทั้งคู่แต่ดีใจกันคนละอย่า ง, างนะนะคือกลุ่มที่เจริญกรรมฐานจะดีใจเหมือนกันแต่ดีใจที่ไม่อาศัยเรือนกลุ่มที่ไม่เจริญกรรมฐานก็ดีใจแต่ดีใจอาศัยเรือนเพราะฉะนั้นดีใจแบบนี้เขาเรียกว่าถูกเบ็ดเนมะียมิตรนะแปลไทยเราบอกว่าถูกเบ็ดแล้ว นะถ้าอย่างนี้ก็มีความสุขที่ไม่ได้กลืนเบ็ดเหมือนกันนะเวทนาอื่นๆก็ในยะเดียวกันนะความเสียใจความเฉยๆแต่ว่าวิธีสังเกตรแรกๆก็คือวัตถุกับอารมณ์เนี่ยนะก็สังเกตที่อารมณ์อารมณ์ตัวนั้นๆอะเป็นปัจจัยให้ดีใจเสียใจและเฉยๆดีใจเสียใจและเฉยๆนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลมีอมิตรหรือไม่มีอมิตร มันผู้ที่เจริญกรรมฐานมากๆจะแยกส่วนนี้ดีจะแยกได้ชัดมากทีนี้ถ้าคนไม่ได้เจริญกรรมฐานไม่ได้ศึกษาคำสอนเลยไม่ต้องห่วงอัดดีใจก็อกุศลเสียใจก็อกุศลเฉยก็อกุศลอีกอยู่ดีเพราะไม่มีไม่มีสิ่งที่มันตรงกันข้ามเลยอ่ะนะอย่างก็บอกอา้าดีใจเสร็จก็ไปเสียใจเสียใจเสร็จก็เฉยๆฉยนั่น หมายถึงเขาสลับนิวร์เท่านั้นเองสมื่อถ้าพูดแบบนิวร์นะถ้ามีกามฉันทะกามฉันทะนิวรเกิดร่วมกับอะไรโดยมากนะก็ดีใจใช่ไหมก็สมนัตถ้าพยาบาทนิวร์นะพยาบาทนิวรอุทธาจจะกุกุกจจนิวรเนี่ย น, นะกุกุกจจะ พื่นี้โดยมากก็เกิดร่วมกับความเสียใจเนี่ยนะส่วนนิวรณ์เท่นทีนัมิทะหรืออุเบกิจกิจฉาก็เกิดร่วมกับเสียใจเนี่ยนะบางคนก็จากพยาบาทสับมาเป็นนะกวาการมาฉันทาเสร็จสับมาพยาบาทพยาบาทเสร็จอุทจักอุทจักเสร็จสับมาหากามอีกก็วนนะถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่านิวรณ์ดับอะไรเลย เพียงแต่ว่าสลับนิวรนเฉยเท่านั้นเองงั้นปุถุชนทั่วๆไปลักษณะสลับนิวรนนะไม่ใช่ดับนิวรนหรือนิวรนที่เรียกว่าความเกิดความดับนิวรนไม่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นที่ที่เราพิจารณานิวรนะนะว่ า, เ, าเมื่อนิวรนนะที่พิจนารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นของนิวรนบ้างพิจนารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมของนิวรนบ้างไม่ใช่ว่าพอนิวร จากการมฉันถ้า ม, มาเป็นพยาบาทแล้วแหมมันดับไปแล้วมันไม่เที่ยงอยงไม่ใช่นะหมายถึงว่าผู้ที่พิจารณาจริงๆหมายถึงดับได้โดยกุศลธรรมอ ย, อย่างหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นปุตุชนผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนโดยทั่วๆไปถึงดีใจก็ดีใจเกิดร่วมกับนิวรนเสียใจก็เสียใจกับนิวรนเนี่ยนะเฉยก็เฉยเพราะนิวรนเนี่ยนะก็สับนิวรนไปท่านหมุนเวียนเปลี่ยนนิวรนเท่านั้นเองเนี่ยนะ ก็มันแยกแยะ แ, แบบนี้เนะ่ยแยกแยะบ่อยๆว่าวัตถุวัต ถ, ถุกับทวานี่กลุ่มเดียวกัน น, นะเมื่อตามองเห็นอันนี้ตาของเรามันก็ตาเดียว น, นะแต่ทีนี้ว่าสีที่เห็นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะสํานวนว่าเปลี่ยนคนไปเรื่อยอะ่ะมันแต่ละคนให้เวทนายังไงเห็นไหมทีนีนะนถ้ถ้าเปลี่ยนทวานไปอีกเท่าหู ฟังเสียงแต่ละคนพูดแล้วเราเนี่ยเกิดเวทนาอย่างไงจมูกของเราถ้าได้รับกลิ่นเช่นกลิ่นอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเวทนาเป็นยังไงทวารกายนะถ้าอุณหภูมิขนาดนี้ร้อนขนาดนี้เย็นขนาดนี้ปวดเมื่อยขนาดนี้มันให้เวทนายัางไงนะทวารใจในเรื่องที่เรานึกคิดทั่วๆไปแล้วมันให้ความรู้สึกยังไงการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิษเริ่มแยกแยะเวทนาก่อนทีนี้พอแยกแยะอย่างนี้บ่อยๆก็แยกแยะว่าเอ๊ะแล้ว แล้วตอนเห็นน่ะสมมุติว่าเห็นผู้การเนี้ยโมดีใจอย่างโสมนัสหรือเออเป็นกวยกับกุศลหรืออกุศลเมียมิตรหรือไม่มีมิตรเนี่ยนะก็เอ๊ะถ้าเสียใจเมียมิตรหรือไม่เมียมิตนะรใครเคยเสียใจมั่งเห็นผู้การทําไมไม่คิดถึงอริยสัจแม้เสียท่าเลยวันนี้อย่างเงี้ยนะคิดไหมเสียใจอย่างนี้ไหมหายากเต็มทีนะอั น, นโทมานัสไม่อาศายัยเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนคขมมะนี่หายากอย่างเงี้ยนะ มันก็มามาคิดแบบนี้บ่อยๆนะก็เอาก็จะเป็นเวทนาเก้าแล้วใช่ไหมหนึ่งโสมณัสองโทมณัสามอุเบคาเนี่ยนะทีนี้ก็มาแบ่งละสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ยนะก็จะเป็นการแยกแยะเวทนาทั้งเก้าเนี่ยนะทีนี้พอแยกแยะพิจารณาอย่างนี้ต่อไปก็อย่าลืมว่า เวทนาทั้งหมดนี้บางอย่างก็เป็นชื่อเต็มเรียกว่าจักขุสัมผัสสชาเวทนาเนี่ยนะเวทนาที่เกิดจากจักสุสัมผัสในอย่างหนึ่งอันนี้ที่เรียกว่าเรียกชื่อตามทวารใช่หเวทนาทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะชื่อหนึ่งว่าจักสุสัมผัสสชาเวทนาอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโสตสัมผัสสชาเวทนาอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ขานาสัมผัสชาเวทนาชื่อหนึ่งเรียกว่าชิวหาสัมผัสชาเวทนาชื่อหนึ่งเรียกว่ากายาสัมผัสชาเวทนาอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่ามโนสัมผัสสชาเวทนาก็จะเป็นอ่านะแค่เรียกว่าเรียกตามชื่อทวารก็จะได้เวทนา6ทีนี้ถ้าเวทนา6เหล่านี้ก็แต่ละชื่อเนี่ยเกิดได้ทั้ง9เวทนาเนี่ยนะเกิดทั้ง9เวทนาแบบนี้นี้นะ นี้เวทนาเนี่ยนะอย่างนี้เวทนานะสับเนี่ยนะพุทธพจน์บทเดียวว่ะอย่างนี้เวทนาเนี่ยนะสับเดียวนะก็คนคนที่จะรู้เวทนาดีขนาดนี้นับว่าไม่ง่ายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบับพระนี้ถ้าจะกล่าวพระองค์จึงมาไว้ตอนหลังนะนะแสดงบับพระอื่นมาอย่างละเอียดก่อนหน้านี้เพราะเวอ่บับพระเนี่ยเป็นการประชุมที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะ ว่าเวลาเจริญหรือเวลาพิจารณาต้องเอามาพิจารณาโดยไม่มีเหลือไม่ใช่ว่านึกจะเลือกพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่ง ก, ก็พออย่างเ้นะเพราะว่าคนที่รู้จริงมันต้องรู้อย่างตลอดสายแต่อย่าลืมว่าในชั้นแรกคนนี้ต้องพิจารณาวัตถุ ก, กับอารมณ์มาเป็นเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้ที่ใครอ่านวิสุทธิมัคปัญญานิเทศจะรู้ว่าเขาพิจารณารูปก่อนใช่ไหเาจึงพิจารณานาม นะคือเขาพิจรารณาวัตถุ ก, กับอารมณ์เนี่ยเป็นอย่างมากเช่นพิจรารณาตาของตัวเองประกอบไปด้วยอะไรบ้างเห็นผู้การและรูปผู้การประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วเข้ามาพิจรารณาต่อไปแล้วพอเห็นแล้วความรู้สึกอะไรมันเกิดบ้างระหว่างหลังจากเห็นเนี่ยนะแต่เขาเขาเจริญถือว่าอาชีพะนะฝึกพวกนี้จนจนจ น, จนเป็นอัธยาศัยของการเห็นตามนั้นจริงๆเขาจึงเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิไงจึงเรียกว่าสิ่งเหล่านี้คือทิฏฐิวิสุทธิ นะแล้วก็ค่อยๆไล่อย่างเงี้ยทั้ง6กทวารวันถ้าพื้นฐานพิจารณาเรื่องรูปมาไม่ดีพอนะเวทนาก็นับว่าพิจารณายากเว้นไว้แต่ว่าจะ ก, กําหนดเออพอดีใจก็เออนี่ดีใจแล้วนะพอเสียใจเอาก็เสียใจแล้วนะพอเฉยเอานี่เฉยแล้วนะก็มันไม่เที่ยงอะ่ะดีใจสับพระเคล้ากันไปถ้าแค่นี้ก็เจริญมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้ละกิเลสอะไรเลยก็กิเลสมันก็อยู่เท่าเดิมนะั่นแหละไม่ได้กระเทือนอะไรมันเลย มันก็ไอาการพิจารณาที่คู่ควรแก่การละกิเลสนี้นับว่า ม, มากเนยนะอย่างนี้เวทนาเนีย่ยนะทีนี้ต่อไปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเวทนาเกิดได้ยังไงเเพราะภัสสะเกิดใช่ไหมแล้วก็สามอย่างว่าโดยรวมๆก่อนหนึ่งหนึ่งภาวานสองอารมณ์สามวิญญาณ 3อย่างเนี่ยประชมกันเมื่อไรเรียกว่าภาษะภาษะตัวนี้แหละเป็นปัจจัยแห่งเวทนาจะเป็นเวทนาทา ง, งเนื่องจากทวารวัตถุ ก, กับวิญญาณจะเป็นเวทนามาจากทางหูก็ต้องอาศัยหูเสียงและวิญญาณทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็ในญาติกันเนี่ยนะก็เนื่องจาก ธรรมะสามอย่างประจวบกันเข้านั่นแหละประจวบกันเข้านั้นภาษาจึงเป็นปัจจัยแก่เวทนาอย่างนี้ความเกิดแห่งเวทนาถามว่าเฉพาะภาษาเท่านั้นหรือไม่ทำไมเวทนาบางอย่างเช่นเวทนาที่เป็นโดยเฉพาะชาติวิบากจะเห็นชัดทำไมสุขมากทำไมทุกมากหรืออุเบกขาอันนี้มาจากที่เรียกว่า ประธานใหญ่เขาคือกรรมก่อนก็กรรมแต่ลืมว่ากรรมนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากธรรมตันหาเป็นปัจจัยธรรมตันหาก็คือยินดีในเวทนายินดีในธรรมรมในอดีต น, ะต น, นั้นสรุปรวมว่าเพราะมาจากอวิชชาแล้วอวิชชาล่ะเพราะก่อนหน้านี้ชาติก่อนนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า เ, ออเวทนาเวทนาสมุทัย เวทนานิโรธเวทนานิโรธาคามินีปฏิปทาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถ้าเอานะคนที่นั่งนั่งกันอยู่นี่นะถ้าเห็นเวทนาโดยอริยสัจมาเนี่ยจะไม่มานั่งฟังตรงนี้แน่นอนถามว่าทําไมเพราะเขาต้องไปฟังกับพระอริยหรือเขาเลือกไปเลือกฟังหน้ายอย่างสบายๆอยแล้วนะและอย่างหนึ่งถ้าเป็นพระผู้ที่เห็นอริยสัจในชาติที่แล้วมานะเชื่อเหลือเกินว่าไม่มาเลือกเกิดชาตินี้แน่ คือไม่ไม่เลือกเกิดในยุคนี้แน่เพราะฉะนั้นก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นอวิชชาไม่ได้แทงตลอดเลยนะว่าเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธาามินิปฏิปทาอันนั้นเป็นอวิชชาเนี่ยนะพระพุทธพจน์บทที่สองบอกว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอะไรนะ ย้อนอีกครั้งหนึ่งเพราะอวิชชาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะตำหาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะเนี่ยภาษาเกิดเวทนาจึงเกิดนะภาษาที่เกิดเพราะมีทวารมีอารมณ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นนี้เป็นความเกิดของเวทนาเวทนาเกิดได้เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าจะดับเวทนาเลยถ้าจะดับเวทนาเช่นดับตีใจดับเสียใจดับเฉยๆดับ เวทนาที่อาศัยอมิตรเวทนาที่อาศัยเนคขมมะเนี่ยนะจะดับมันได้ยังไงถ้าอะไรดับเวทนาเหล่านี้จึงจึงดับเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบวเวทนาทั้งหลายเช่นกับเสียงเนี่ยนะถ้าเสียงก็เสียงอะไรเช่นเสียงกลองหรือเสียงระฆังเนี่ยนะซึ่งต้องมีตัวกลองอย่างหนึ่งแล้วก็มีไม้ตีกลองเนี่ยนะ ไม้ตีกลองก็เคาะแล้วเคาะนะเสียงก็ออกมาเรื่อยๆถ้าคนจะจะปิดเสียงอันนั้นให้มันเลิกดังนะเขาทํำยังไงไปปิดเสียงเลยนะเอาหูปัดเสียงออกในชะ่ไหมจะได้เลิกได้ยินสักทีหนึ่งเขาทำอย่างนั้นไหมก็ไม่มีใครทําแบบนั้นก็ทํำยังไงที่จะหมดกลองแล้วก็หมดไม้ตีกลองหรือทํำยังไงพวกนี้มันจะได้ไม่กระทบกันนะแล้วเสียงมันก็จะดับ เพราะฉะนั้นคนที่มุ่งแก้เวทนาจริงๆเขาไม่ได้แก้ว่าเอ๊ะทายังไงจากเสียใจแล้วให้ไปเป็นดีใจหรือจากดีใจแล้วมาเป็นเสียใจหรือสลับคล้าเข้ า, ข า, ขากันอยู่เท่านั้นอะ่ะโดยการแค่สับเวทนาเขาจะไม่แก้แบบนั้นนักแก้ปัญหาถาวรเขาจะบอกว่าทํายังไงมันจะเลิกหมดทวารสัทีหนึ่งทําไมจำต้องไม่รับรู้อารมณ์เนี่ยนะเมื่อไร่ที่ภาษามันไม่เกิดอะ่ะ เทนี้เอางั้นก็กินยานอนหลับสักทีอันนั้นก็พรษาอีกอย่ า, าษาหนึ่งนะก็เกลียดพรษะหนึ่งต้องการอีกพรษะหนึ่งอยู่ดีฉะนั้นปุถุชนทั่วๆไปแก้ปัญหาทิ้งสกายะอันหนึ่งก็แล้วไปเอาสกายะอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่นะทำ ย, งงยังไงจึงกระดับได้ถาบออันนั้นเป็นการแก้ปัญหาลักษณะของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะจะแก้ในลักษณะที่เป็นจะิตตสิขามันจะเข้าอยู่ในโครงสร้างอันนี้ อ, อันนี้เป็นปัญญาสิกขาล้วนๆถ้าว่าให้ตรงนะถ้าตามคมํญญาบรรยายทั้งหมดเป็นเรื่องของสัมมาทิฐิล้วนๆเนี่ยนะเพราะคนที่จะมาคิดเรื่องนี้ได้จิตสิกขาดีมากเนี่ยนะ ก, ก็สังเกตดูนะนั่งฟุ้งแล้วมาคิดเรื่องนี้ดูอจะได้สักสองนาทีหรือเปล่าก็าไม่รู้นะเวทนาเกิดจากไปละอะไรเนอะเออไปทำอย่างอื่นก่อน ได้เวลาหงข้าวแล้วกับว่าไปต <c oughs> โครงสร้างงานจิตจิตตสิทธาในโครงสร้างนะอะเค็นกรารบรรเทากิเลสถูกไหมพอจิตตสิท้าเนี่ยก็เช่นเปลี่ยนอารมณ์นี้ใช่ไหม เรารู้แล้ ว, วทนาเนีเน่เป็นเป็นอกักข u ศลใช่ไหมซึ่งมันก็นลักษณะคล้ายๆโครงสร้างอันนี้นี่กันเวลาเราเจริญจิตศึกษาก็เมื่อเห็นอันนีฐานลมเนี่ยแล้วรู้แล้วจิตเป็นอกักข u ศนหรือเห็นอีฐานลมก็กแล้วแต่นะถ้าจิตเป็นอักุศลนี่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าว่ายังไม่มีปัญญาขั้นปัญญาที่คิดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะก็ต้องต้องมาจัดการเอาเอา ถ้าว่าให้ตรงๆนะหลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตรของคนถือว่าชั้นล่างมาดีแล้วแบบนั้นนะนะสมมติถ้าแบบหลักสูตรปริญญาชั้นสูงเนี่ยถือว่าไอ้ของชั้นล่างเนี่ยถือว่าผ่านกันมาทุกคนแบบนั้นเถอะนนี้ทิ้งต่างว่าทุกคนนี้จิตตศิขาดีมากศีลดีศิขาอื่นดีหมดเลยนะว่ายกให้ดีไม่ดีไม่รู้ล่ะแต่ว่าถือว่าดีก่อนนะแล้วก็ค่อยว่าวิชานี้ไปแต่ถ้าแต่ท่านนึกเมื่อไหรโอ้ยฟุ้งซ่าน วาจาก็เพอ้อเจอ้อทั้งวันอย่างนงี้ยนะพูดจะไปรู้เรื่องอะไรวิชานี้มันจะพูดต่อไปไม่ได้มึงก็ต้องลงไปพูดแต่ทาไมเขาจะกายเขาจะดีขึ้นวาจาเขาจะเรียบร้อยขึ้นก็ามานั่งจัดการในชั้นล่างๆแล้วนะเพราะฉะนั้นทิ้งต่างว่าถือว่าทุกคนดีหมดเลยเถือว่าเป็นพื้นฐาน